ฟังธรรมกันเ้อะมีผู้ฟังมีผู้พูดฟั ง, ฟงแล้วออไปทำแค่มีเสียงนะฮะฮะฮะะได้ฟังแล้วให้จับนะ เราได้ลูกมามากแล้วควมลูกเป็นเรื่องหนึ่งถ้าไม่ทำก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ในทางบรรลุธรรมเหมือ น, นกับการข้ามฝั่งลู่ฝั่งน้นลู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเหมือนเราอยู่ในหวน้วงํา แล้วก็มีฝั่งที่ไม่ได้อยู่ในห้วงล้ามก็มีแต่การที่จะขึ้นไปฝั่งนู้นมันต้องมีการทำอะไรให้มันขคลื่นย้ายไปมันจึงจะเป็นการถึงที่หมายการปฏิบัติรรเนี่ยเป็นเช่นนั้นขอให้ผู้มีสติปัญญา ได้รู้ได้ทำไม่ต้องใช้สมองความคิดอะไรเช่นความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นการกระทำเป็นอากาศเอากายไปต่อเอาเอาใจไปต่อก็ความรู้สึกตัวนี่ต้องทาอะ ต้องทมจริงๆไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่ไปรู้ความรู้อี่อแค่ไม่ได้ถ้าทำไม่เป็นอะสิ่งที่ให้มันเป็นเนี่ยไม่ใช่ความรู้มันเกิดจากการกระทำทำตรงไหนอย่างไร กระทำตามลอยพระยุคนบาทลอยพระศาสดาว่าคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแขน อ, อกรู้สึกตัวถ้าคู่แขนเข้ารู้สึกมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วเหยียดแขนออกรู้สึกมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วรวมรู้สึกตัวเป็นการเคลื่อนย้ายผ่าน ความหลงซึ่งเป็นต้นตอของการเคลื่อนย้ายถ้ารู้มันก็ไปแล้วไปจากอะไรไปจากความไม่รู้ถ้ารู้เมื่อมันมีความไม่รู้เกิดขึ้นก็คาบได้ง่ายเพราะมีแรงถ่วงไปเหมือนกับก้าวของเราที่ ไปทีละเก้าเหมือนรถที่ติดเครื่องที่มันหมุนไปแล้วมันมีแรงถ่วงเหมือนเราพันมีดพันโจ บ, จบที่มีแรงถ่วงมันประกอบกันมันจึงมีการตัดอะไรได้ไม่ใช่รูปใช่คำเพราว่าที่ลูกมันเป็นพับคำลังลื่นไม่แข็ง <laughs> ว่าที่รู้มันเป็นกําลังเพื่ออะไรเพื่อข่านความหลงมันเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมงานจะง่ายเอหลงที่ใดก็รู้โอหลงที่ใดก็รู้ไม่ได้เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้เสียแล้วหลงแท้ๆ เ, เป็นเหตุให้เกิดความรู้ได้ มันก็มีงานแบบนี้มันก็เสร็จได้แบบนี้ไปเคลื่อนไปอย่างนี้นะก็หลงที่ใดก็รู้เอามีไรอีกละ่ะมีความทุกก็รู้มีอะไรมากมายที่ไม่ใช่ความรู้ตรงกันข้ามเยอะแยะไปหมดเลยนี่มีการกระทาเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่รู้มันก็รู้ขึ้นมา แล้วสิ่งต่างๆมันจะมาแสดงผ่านจอแห่งความรู้มันจะบอกความไม่เที่ยงอย่างที่เราสาธยายพสูตรนั่นก็รู้นี่คือความไม่เที่ยงอ่านภวะที่เห็นความไม่เที่ยงมันก็ถ้าถึงภวะที่รู้มันก็ไม่เป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเพราะความเป็นทุกข์ มันเลยง่ายมันเลยสะดวกจนเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกไปากับใจแคบทั้งหมดทั้งสิ้นบางอย่างก็ยังยังไม่ได้ทำแต่มันมีเป้าหมายไปแล้วมันมีทิศทางไปแล้วเหมือนคนสร้างบ้าน ตั้งเสาขึ้นมันบอกติดคานติดเฉยติดจันทร์ตันติดไม่แปลติดอะไรตัา ง, งติดหลังคามันบอกงานมันบอกแล้วก็แล้วก็ทำได้ด้วยมันบอกให้คทำรวมหลงมันบอกให้ไม่หลงรวมทุกข์มันบอกให้ไม่ทุกข์ มันเป็นงานของกรรมฐานจึงไม่ต้องมีคําถามอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องมีคําตอบให้จากคนอื่นเหมือนเป็นการตอบเองมันเป็นการตอบบ อ, อกเองนะอะไรทําแล้วอะไรยังไม่ได้ทําให้มันแล้วมันก็บอกไปมันจะขยันตรงนี้นะคนทํางานเมื่อมัน เป็นการงานชอบจะมีความขยันมีความเพียรไปในตัวเสียเลยก็ตือหรือรุนในเบื่อหน่อยเกิดความเพียรความเพียรคือความขยันเปลี่ยนร้อยเป็นดีขยันขยันตรงนี้นะถ้ามันมีทุกข์ก็เเพียนได้ทุก ขยันตรงนี้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นงานข้างคาดังที่เราสาเรประสุคการนานไม่ยุ่งเหยิงสับสนมันแล้วเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปอย่างนี้มันบอกไปจน เ, น, นเห็นต้นเห็นโตเห็นจุดหมายปลายทางได้กระแสผู้ที่เจริญสติตเนี่ยได้กระแสแห่งพระพานะ เหมือนได้ทิศได้ทางฝั่งโน้นฝั่งนี้ฝัง่งนู้นฝั่งนี้เหมือนที่พูดว่าวานนี้ว่าเห็นชายภูมิที่ที่หมายชำนิชำนานในชายภูมิเพราะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอก เราทิศทางมันไปตรงไหนมั่นใจไม่มีความหลงในความหลงมันจะไม่หลงในความทุกข์มันจะไม่ทุกข์นี่เราไปชำนาญในชัยภูมิถ้าเป็นนักโลกก็ไม่มีทางแพ้คนมีสติไม่แพ้อะไรเลยนะมันเป็นทางได้ทางเรี่ว่ามั่งมั่คือเห็น เห็นแล้วก็ต้องไม่เป็นตันต่อไปนั้นเมื่อไม่เป็นก็พุ่นจากสิ่งที่เห็นพุ่นจากสิ่งที่เป็นนั่นก็จบไปเห็นหนึ่งครั้งชํานาญหนึ่งครั้งเห็นสองครั้งชํานานสองครั้งหลวงพ่อเทียนเคยเปรียบเทียบพาพวกเราไปอาบน้ำในคลองแต่ดาบในคลองเราอาบไม่ได้ มันมีพิษบ้านบูฮหงบ้าหลวงพ่อเทียนเขาปลูกฝ้ายมันใช่ยามากหลองพ่อเทียนก็พ า, พาไปขุดใส่ในฝั่งน้ำลึกประมาณโศกขุดของไข่ของหลามีขันมีอะไรไปขวดสส่ขึ้นมาพอขุดเห็นน้ำเจอน้ำน้ำไม่ใส ตักออกหนึ่งครัง้งน้ำก็ยังไม่ใสดีแต่มันออกมาเรื่อยๆตักครั้งที่หนึ่งสัง่งที่สองครั้งที่สามมันก็จะใสเมื่อมันใสเราก็ใช้ได้การผ่านหลงเป็นไม่หลงมันก็จะบรจัมันจะตีกว่เาเก่าผ่านครั้งหนึ่งยังไม่ชํานาญการหลงก็ยังจะมี มีอยู่บ้างถ้าผ่านสองครั้งสามครั้งมันก็จะสะอาดขึ้นมันแล้วไปความขุ่นความสกปกทั้งหมดไปป่าวว่าที่รู้เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงปาวว่าที่เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธป่าวว่าที่เห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์ปล่อยสิแล้ววัน ไปเป็นกระแสไปไปเห็นความเก็บอ๋อไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บมันจะเก่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเห็นความเก็ไม่เป็นผู้เก่เห็นความตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายมันเห็นมันไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็ น, อ, นอะไรที่ที่มันสัมผัสได้ด้วยชีวิตของเราเนี่ย เหมือนกับว่ามีมุตมันพ้นมามันพ้นไปความพ้นความไม่พ้นมันจะบ่งบอกดังนั้นจึงเป็นความสำเร็จใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ถ้ามีสติมีกายมีใจมีสติมันเป็นเครื่องมือ ทำให้เราได้เกิดความสะดวกสะดวกมากการเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนะถ้าหลงเป็นหลงไม่สะดวกเลยถ้าทุกเป็นทุกไม่สะดวกโกรธเป็นโกรธไม่สะดวกถ้าเห็นเราวนี่ยมันสะดวกเป็นทางการเห็นนี่เป็นมักการไม่เป็นนี่เป็นผล พูดจากกาันเป็นเนี่ยหรือว่าเป็นผลมันเป็นมักเป็นผลจริงจริงเหมือนกับคนทำงานอะไรมันก็ต้องเสร็จจริงๆสร้างบ้านบ้านก็เสร็จทําไร่ไร่ก็เสร็จปลูกข้าวนาข้าวก็เสร็จมันเสร็จมันก็ใช้ได้ก็มันก็บอกทั้งความเสร็จจริงๆ มันก็ต่างเก่ากับความไม่เสร็จพ้นภาวะเดิมเราจะพูดถึงกิจใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปร่วงพ้นภาวะเก่าจะเป็นเช่นไรเอาไหวหลังไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าผ่านมาได้ตลอดนี่เราว่กมรคือผ่าน ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความโกรธผ่านความลังเล่ชงยัยผ่านอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เป็นมือฉีพันเรื่องดังที่เราสาเทิประศูนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเห็นรูปเห็นนามรูปก็ไม่เที่ยงเมตนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง ลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันจะบอกเราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่ใช่ตัวสิ่งใดไม่นั่นไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็บอกจะไปเอาความไม่เที่ยงเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เราไปเคยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ปกควงไม่เที่ยง บทนี้มันเป็นความไม่ทุกข์ประความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ใช่ไหมเออความไม่เที่ยงพวามเป็นทุกข์ไม่ทําให้เกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้นะเรียกว่าล่วงพุ่นเพราะว่าเก่ามันโบกมันโบก ปัญหามันเป็นปัญญาได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีทุก์ก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ได้นะแล้วถ้าไม่มีความถ้าไม่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเหนือสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าพุทธเจ้าแล้วทำด้วยพระองค์เอง พวกเรผู้มาทําตามพระพุทธเจ้าที่บอกที่สอนก็เลยควรได้รับความสะดวกก็รู้อย่างเดียวกันเห็นหล ง, ลงไม่หลงพ้นจากความหลงอย่างเดียวกันเห็นความทุกข์กไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์เหมือนกันหมดใครก็เหมือนกันหมดนีด่ว่ารู้ทำอันเดียวกันปลายทางอันเดียวกันความ การกระทําอย่างเดียวกันเรียกว่ารู้ตามพระเจ้าเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมคือเห็นวพระพุทธเจ้าเห็นอย่างเดียวกันสติก็เป็นอย่างเดียวกันที่เราทําอยู่เนี่ยสติที่พระเจ้าทํามาแล้วสองพันห้าร้อย หกสิบปีเลยสองันห้าร้อยห้าสิบสามสองกันห้ารอยห้าสิบสี่บวกเข้าไปสี่สิบห้าอีกเท่าเป็นเท่าไหร่เออสองพันห้าร้อห้าร้อยเก้าสิบเก้าบนันนะอันเดียวกันกับเดี๋ยวนี้นะสติกับพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมต้นถีต้นโพนอันเดียวกันกับเดี๋ยวนี้ อยู่กับใครก็เป็นอันเดียวกันหมดนี่สกลส่วนพิธีอื่นๆเป็นคนละอย่างแต่ธรรมะนี่เป็นสกลอันเดียวกันใครมีสติก็อันเดียวกันหมดเลยถ้าอันหลงเห็นมันหลงคนเจ้ากลงหลงทาไปอย่างเดียวกันไปทางนี้เหมือนกันหมดที่ว่าทางทางนี้เป็นทางอันเอก เอกมะโควิสุทิยาไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความบริสุทธิ์ให้พิสุทธ์ลองดูให้ทำรู้สัมผัสลองดูอย่าไปเชื่อใครถ้าทำแล้วเกิดผลขึน้นมาให้ศรัทธานี้อย่าไปศรัทธาคนอื่นอย่าไปศรัทธาสิ่งอื่นให้ศรัทธาสิ่งที่เราทำได้เราลู้ก็ลู้จริงเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเนี่ยมือระวางอยู่บนตักก็รู้อยู่เนี่ยใครจะมาบอกว่ามือเราไม่อยู่บนตักบนเขา่าปิกขึ้นก้มลงโยกขึ้นวางลงเราอยู่เรารู้อยู่นี้ใครจะว่าเราไม่รู้เป็นเรื่องของเขาอันนี้เรียกว่าไม่มีคำถามคนอื่นตอบให้มาได้ เราต้องตอบเองนี่เราว่าศรัทธาแต่ถ้าลงไปใช้ใช่ลงไปแล้วเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่ก็เชื่ออย่างนี้มันพ้นมาได้เพราะทาอย่างนี้ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นนี่คือศรัทธาเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้ก็มีความเพียร ความเพียรคือเปลี่ยนลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาก็ได้ข ย, ขยันขยันมีความรู้เมื่อมันหลง<ร>เปลี่ยนหลงเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้อย่างเนี้ยเรียกว่าภาวนาคือเปลี่ยนลายเป็นดีรรบบหรือเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าโต้โ ต, ต้เปลีป่ยนแปลงมาไลยเป็นดีเนี่ยเราศรัทธาอย่างเนี้ย การตืต่นุลล้นตรงนี้นะเมื่อมีชดทามีความเพียรมันก็เป็นกำลังอันหนึ่งที่ทำอะไรให้ได้เกิดความสำเร็จได้มันเป็นกอบเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชงงงสาวสาวไม่ใช่ทำที่ไม่มีเป้าหมาย จับลงไปถูกเส้นถูกทางทันทีเลยทีเดียวหลวงพ่อเทียนสอนให้ลู่ซื่อเนี่ยแต่ว่าลู่ซื่อมันจะเป็นอย่างไรถอาเธอสุกเป็นสุกไม่ซื่อสุกจะมีโรดมีชาติไม่ซื่อไม่จืดเ้อมันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกอย่างนี้หรือว่าลู่ซื่อ ดูตรงๆทุกเป็นทุกไม่เลยแค่รู้ซื่ อ, อทุกเห็นเหมือนทุกในในเป็นผู้ทุกนี่มันซื่อพอใจเห็นเหมือนพอใจไม่ได้เป็นผู้พอใจน อ, ใจใอยู่รู้ซื่ อ, อมันจะไปไกลนั่นเนี่ยยิ่งได้ไกลนั่นเนี่ยเหมือนนักลุกแต่เดี๋ยว ถอะไรมันซื่ออยนี้ก็ยิงได้ไกลดองแม่นถือถูกทิศ ถ, ถูกทางใช้ได้ตลอดวิธีการอย่างนี้ใช้ได้สะดดดีวัฒทิติดีของพุะเจ้าถ้าจะเรียยว่าอริสัตถ์ก็ทำแบบนี้ทุกเราได้กำหนดแล้วรู้แล้วทุกเราได้เปลี่ยนทำได้แล้วทุกลราพ้นมาแล้ว สามลักษณะเหตุเกิดทุกเรารู้แล้วเราได้ทำเหตุนั่นแล้วทำได้แล้วอะไรก็เป็นอย่างนี้เนี่ยวทิษดีในทัภาคปฏิบัติไม่นอกจากนี้ไปได้อะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าได้ทิษดีได้หลักนี้ไปเนะี่ยมันจะไม่แม่นยังไง มันจะไม่ชนะอย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนเราเห็นงูถ้าเห็นเราก็เรียกว่าจะมีความพ่นจากงูเห็นงูต้องไม่ให้เข้าไปหางูต้องออกไปจากงูเราพ้นจากงูเราพ้นเราก็รู้ว่าเราพ้นจากงูงูอยู่นู้นมันชูโคล แผ่แม่เบีย้ยอยู่โน้นเราถอยออกมาเอาพ้านมันจริงๆเหมือนทำอะไรแล้วให้เราไม่ได้จริงจริงลักษณะอริยศัต์สี่เป็นอย่างนี้แม้จะมันมีทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความวิธีการดับทุกข์แล้วดับได้แล้วอย่างนี้สามถัดลองดูประกอบลองดู ใช่ลองไปลงดูเชมีอยู่ในเรานั่นแล้วทุ ก, ทกเห็นแล้วรู้แล้วเรียกว่ายาตะป ร, ะริญญาดูแล้วทุ ก, ทกเราได้สองกับทุกแล้วเปลี่ยนไม่ทุกเราทำแล้วเราพ้นจากทุก์แล้วเรียกว่า ญาตะปัญญาติลคณะปริญญาพหานะปิญญาชำนานลำบาชำนานเห็นปับไปเลยเยเห็นพับไปเลยอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยหมือนเป็นปัญญาทั้งนั้นอมนโลภรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตสังขารเนี่ยมันเป็นปัญญาไม่ใช่รู้ทั้งอื่นนะ มันอยู่ที่นี่ปัญญาพุทธะนะสังขารคืออะไรทั้งหลายทั้งปวงอายสังขารมากมายจิตแต่สังขารก็มากมายจริงใดเป็นสังขารจริงนั่นขี้หน้ามันได้เลยว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ถัถ่วตนเพ่นความโกรธมันก็เป็นสังขาร มันโจรมาไม่ใช่ใจอย่าไปทำตามมันเดีวเกิเปลี่ยนตัวที่โกรธให้เป็นคนไปโกรธอยู่วิสองขานวิสังขานคือเปลี่ยนไม่เป็นไปกับมันรวมทุกเป็นสังขานหวมไม่ทุกเป็นวิสองขานอะไรก็ตามตรงกันข้ามอย่างนี้ มองตรงข้ามานี้เห็นตรงข้ามานี้ทุกกรณีที่เกิดในกายในใจเราแนยเหมือนพระสิทธิได้ได้ทิษฎีทิศทางว่าเห็นความเกิดต้องมีความไม่เกิดเห็นความเจ่ต้องมีความไม่เจ่เห็นความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บเห็นความตายต้องมีความไม่ตายเว่าเลยศึกษาเรื่องนี้ ล็่มต้นไปจากเนี่ยนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกแต่บางทีก็มีสติไปกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติเกิดการคู่แขนเข้าการเหยียดแขน อ, อกอันเดียวกันบางทีพระ อ, องค์ก็จะลุกไปเดินจงกรมหรือเมื่อเดินกลับไปกลับมามีความรู้สึกตัวเรียกว่าจงกรมเหมือนกัน เดีวมันก็ได้เห็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับลายกับใจแล้วก็เป็นทิศทางไปอย่างเนี้ยมันบอกทางไปงนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างเนี้ยเบื้องตุน้นท่ามกลางใยที่สุดอย่างเนี้ยอะไรที่ทำได้แล้วก็ทำได้แล้วอะไรที่เอ่อคลมดับทุก วิธีเรื่องลักษณะของการแบบทุกข์ดับได้ได้ทําลงไปแล้วได้ทํำในแล้วเหมือนพระเจ้าแสดงธรรมนะจักอริยสัจสคือความดับทุ ก, ทท ก, ท ก, กอขอก์มีอยู่เราได้ทําแล้วทํำในแล้วความทุกข์มีอยู่เพียงใดทํำในแล้ว เกินโคมทุกโคมหลงวามโกรธไม่เกิดขึ้นอีกยังได้ชื่อว่าเราได้จัดสลู่ช่อมเฉพาะหน้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันทำได้อย่างนี้มันก็บทไปจริงๆมีแต่ภาวะทิรูก็เลยก็เลย ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีอะไรจะเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรมันมีอะไรที่จะให้เป็นมันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันมีความเกิดมันก็ไม่เป็นผู้เกิดกับความเกิดไม่เป็นผู้แก่ก็ไม่แก่กับความแก่เพราะไม่เป็นอะไรกับอะไร มีความเจ็บก็ไม่เจ็บเพราะความเจ็บเพราะไม่เป็นอะไรที่ทําให้เกิดความเจ็บมันคนเรื่องก่อนความเจ็บความตายแม้จะจับไปมุดอยู่ในพื้นน้ําก็ยังจะไม่เป็นอะไรถ้าพูดได้ถ้ามีคนถามกันได้ก็เป็นยังไงไม่เป็นอะไรก็จะมากจะพูดจเจะพอใจที่พูดอย่างนี้ แม่จะถูกโยนใส่ในกองไฟเก็ยังจะไม่เป็นอะไรกับอะไรแม่มันม oh, ีความร้อนก็จะเห็นมันร้อนไม่อ tamam ันชวนหนึ่งจะไม่ได้เป็นผู้ร้อนเห็นมันร้อนมันหายใจไม่ได้ก็จะเห็นมันหายใจไม่ได้จะไม่เป็นผู้เป็น <huh ผู้ผู้หายใจไม่ได้เราจะไม่เป็นผู้หายใจไม่ได้เราจะไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่เนี่ย จะให้ทำอะไรอีกเพราะมันเห็นมาแล้วมันบอกมาหมดแล้วเห็นมันมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อาลอยที่มันเป็นในกายในใจเรานี่มันเห็นครบท้วนรวมรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นหน้าโลก มันเป็นหน้าโลภรู้หกดรูปพุปรู้ทุน่นจริงๆสิงง่งที่คนถึงที่คนอื่นหลงเราก็ไม่หลงเห็นมาแล้วความหลงสิ่งที่ทำไมเกิดทุกข์ก็เห็นมาแล้วสิ่งที่คนเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่เขาโกรธเราไม่โกรธแล้วก็วมันอันเดียวกัน ความกูดอันเดียวกันควาทุกข์อันเดียวกันควาหลงกวอย่างเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างมันเป็นอันเดียวกันแทๆ้ๆใครก็เหมือนกันหมดบางคนทุกข์ประความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงกนเดียวกันเรียกว่าสามัาลักษณะทธาแตไปจังทุกข์ปวกความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงใจมันเที่ยงได้อย่างไร เป็นทุกข์กับมันทําไมความเป็นทุกข์มันก็บอกทังควมเป็นทุกข์แจ้งเป็นสุขยังไงน่าจะฉลาดตรงนี้นะเธอถ้าก็มีสติใจเห็นอย่างนี้เห็นแจ้งจะให้ความไปที่จะให้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้จะให้ความเป็นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ลองดูืสอ แอบใครนะตรงนี้นะบางทีอาจจะมีมรรคผลนิพพานตรงนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงเบืน่ายในความไม่เที่ยงนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวผู้ใดเห็นความทุกข์เบื่อหน่ยในความทุกข์กอย่างที่เราสาเฉยประศุด สเพสังขารานิจติยถ า, าปัญญายาปัชสติเมือ่อใดบุกคลเห็นวยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อน่านย่อมเหนื่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นเหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเนี่ยทางไปอย่างนี้นะมันเย็บไขยนะั้นตรงนี้เกล้หลายชีวิต ท, ที่เวลาถึงเท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ย แังมีอีกหลายชีวิตไม่น้อยที่เห็นความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เลยเนี่ยได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้แสงสว่างตรงนี้ได้วิปัสสนาตรงนี้ในความเป็นทุกข์ก็เหมือนกันในความไม่ใช่ตัวตนไปถือความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ควรเป็นอย่างนั้นเสียเปลียนความโกรธมามากเหมือนกัน เพื่องดไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสังขารมันจรมามันไม่ใช่ตัวตนไปเอามไม่ได้จริงใดไม่ใช่ตัวตนจินนั่ไม่ไม่เที่ยงสินได้เป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าตัวตนของเร า, เาก็แยบขายตรงนี้เหมือนกันไมนจะมีสามลักษณะนี้ว่าสามันลักษณะเชื่อมือกันหมดก็ทาให้ เท่ความเป็นที่ยงเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะรวมปเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะก็มไม่ใช่ตัวตนเป็นปทุกข์ไม่เหมือนกันนะมันจะต่างกันตรงนี้ร่วงพ้นต่างกันตรงนี้กรมหลงก็มีตรงนี้ความไม่หลงก็มีอยู่ตรงนี้แต่วิธีที่จะให้ใช้สมองไม่ได้ต้องมีสติอย่างเดียวเห็น มีสติเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเดียวอย่เอาสมองไปคิดทำไมทำไมผู้มีสติไม่มีคำพูดว่าทำไมภาษาไทยสบับนี้ตัดทิ้งเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ม่น่าจะเป็นอย่างนั้นม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยถ้ามี ทำไมจึงหลงไม่น่าจะไม่หลงต้อไมจึงคิดไปมันก่อนจะคิดมันเป็นไรไม่ทำไมอยู่วนววียนตรงนั้นก็เลยยากไปให้ความหลงเป็นเรื่องยากผู้มีสติความหลงเป็นเรื่องสะดวกผู้มีสติความทุกข์เป็นเรื่องสะดวกปัญหาเป็นเรื่องสะดวกถ้าไม่มีสติเป็นเรื่องไม่ค่อยสะดวก ติดขัดไม่แต่ผิดก็เป็นผู้ผิดไม่ได้เห็นมันผิดมันถูกก็เป็นผู้ถูกไม่เห็นมันถูกมันสงบก็เป็นผู้สงบไม่เห็นความสงบมันพุ่งซ้อนก็เป็นผู้พุ่งซ้อนไม่เห็นความพุ่งซ้อนก็เลยยากตรงนี้สักหน่อย มันเป็นคู่ไม่ขี้ไม่เปลี่ยนถ้ามีแก่ต้องมีไม่แก่ไม่ได้บอกอย่างนั้นมันเลยมันเลยไม่ค่อยสะดวกเป็นทุกขปฏิปทาบรรลุธรรมละเอียผู้มีจิตเห็นมันหลงไม่ได้ไม่ได้หลงไม่ได้เป็นผู้หลงเห็นมันสะดวกเป็นสุขปฏิปทา รู้ธรรมะได้ยากได้ง่ายบรรลุธรรมได้ง่ายบรรลุธรรมตรงนี้นะก้าวข้ามตรงนี้ได้บางคนไม่ข้ามไม่ข้าบเลยมันหลงทำไมจึงหลงมันอาจะหลงหนึ่งวันแล้วไม่รู้อะไร2องวันแล้วอาทิตย์หนึ่งปีหนึ่งไม่รู้อะไรเอารู้เอาไม่รู้ ไม่แต่เห็นมันอย่างนี้นะไม่มีคำว่าหนึ่งวันสองวัน อ, อย่าเอาจิงนั่นมากำหนดว่าแต่มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่คือนักปฏิบัติปฏิบัติตรงนี้ถ้าเป็นไมใช่นนักปฏิบัติ ต้าสุขเป็นสุ ข, สขไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่นักปฏิบัติลูเป็นลูกผิดเป็นผิดไม่ใช่นักปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจะเห็นไม่เป็ น, ม, ปนมีแต่ลู่ไปลู่ไปตื้อโตโตบทอกท่วงเสร็จไปโบกคืนโบกกับซักสะพานไม่เป็นไปกับมันจึงว่าทำไมจะไม่มี ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เรื่องไม่พบมีชาติถ้าไม่เป็นอะไรมิได้เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรระว่าสิ้นพบสิ้นชาติชาติแห่งความหลงจะสิ้นไปง่ายๆชาติแห่งความทุกข์จะสิ้นไปชาติแห่งความเกิดก็จะสิ้นไปมันจะมีอาการเกิดดับไม่เหลือแห่งนามลูกการเกิดแบบนี้จะไม่มี เรียกว่าอาการเกิดดับที่หลวงพ่อเทียนพูดผูดด้ใดเห็นอาการเกิดดับของหนามลูกมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกลัวผู้มีผู้ไม่เห็นอาการเกิดดับของหนามลูปแม่มีชีวิตโรยบันพันปีก็ยังไม่ประเสริฐมันจบเป็นนะปฏิิธรรมเนี่ยถ้าไม่เสร็จไม่เล้ยวจะทำไปทำาไม ถ้าทำไปแล้วจะทำไปทำไหมคนทำงานต้องงานมันเสร็จกรรมฐานเป็นงานกระทำให้สำเร็จเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ตัวใครตัวมันก็ททำด้วยตนเองช่วยกันไม่ได้จึงมีรูปแบบจึงมีสถานที่จึงมีลักษณะแบบนี้ เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแค่นี้พูดในฟังแค่นี้พระเจ้าก็แส ด, แดงว่าอย่างนี้ก็เราหลงเราก็ไม่หลงก็ทําเอาเองเปลี่ยนเอาเองให้ทุกคนทำเอาเองอย่างเนี้เราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงที่หลงทางมีปัญหาอะไรก็ถามไถ่กันได้บางทีคําถามที่จะคิดจะถาม นะครับตอบจากความคิดคิดแล้วถามก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าไปเห็นแล้วมันมันไม่เข้าใจมันไม่ทําได้แจ้งให้อันนั้นก็ถามได้บางทีคําถามที่คิดจยากจะถามปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยากจะถามหลวงพ่อเทียนไม่อยู่เราไม่รู้จะถามใครเราก็ทําไปก่อนมีสติไปก่อน เอาไปเอามาทาไปทาไปบางทีที่จะจะถา ม, ถามก็ไม่ต้องถามเพราะมันตอบไปแล้วมันเฉลยไปแล้วบางทีคำถามปัญหามันตอบไปโดยการปฏิบัติก็มีเหมือนกันนะไม่เป็นไรรู้ไปผิดก็รู้ไปปัญหาก็รู้ไปมีสติไปก่อนเหมั้นเราเดินทาง ไปถึงที่หมายแล้วมันก็ตอบขึ้นหลังได้ถ้า ต, ตอบไปรวงหน้ามันก็อาจจะไม่ถูกถ้ายังไม่ได้ถึงที่หมายรู้ ก, ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไปถึงที่หมายแล้วไม่ต้องรู้มันทำเป็นการทำให้เป็นเนี่ยมันต้องสอนตัวเองการสอนให้รู้คนอื่นก็สอนให้ได้ ไอ้ก็รู้ได้แต่ทําให้เป็นเราต้องสอนตัวเองหัดตัวเองเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงทําเป็นไหมเวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ทำเป็นไหมเวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธทาเป็นไหมเวลามันโศกเปลี่ยนสุกเป็นไม่โศกมาเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เก็บเวลามันตายเห็นมันจะตายไม่เป็นผู้ตายทําเป็นไหมตรงเนี้ย อันนี้ถ้าต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าปีมุดวามหลุดพ้นไปจุดหมายปทางของชีวิตเรานี่ก็พูดในฟังไม่ใช่ให้เอาไปจำให้เอาไปทาดูแล้วก็สมขวรใช้เวลาพวกเราก็กรบพพร้อมกัน